พระเจ้าดีใจจริงๆที่ได้เห็นท่านกลับมาข้าพระเจ้าก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งแต่ก็รู้สึกเศร้าสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเออเทวมิตรอุบาสกท่านรู้จักดีใช่ไหมข้าพระเจ้ารู้จักดีท่านถามทําไมเทวมิตรยังมาที่นี่เป็นปกติดีอยู่หรือข้าพระเจ้าอยากพบเขาเทวมิตรอุบาสกเคยมาที่นี่หลายครั้ง หลังจากที่ท่านจากไปแล้วแต่พอเกิดเรื่องร้ายขึ้นในกรุงราชเกฤือเขาก็หายไปเลยไม่เห็นมาพระอารามอีกข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้บินธบาผ่านไปทั้งบ้านเขาเลยจึงไม่รู้ว่าเพราะอะไราเขาถึงไม่มาขอบคุณท่านผู้มีอายุเย็นนี้บางทีข้าพเจ้า อ, อาจจะไปหาเ้าที่บ้าน เดินทางเข้ากรุงราชคลึกเพื่อเยี่ยมเยียนเทวมิตรอุบาศกบรรยากาศของกรุงราชคลึกเงียบเหงาวซบซาวกว่เด็กก่อนมากตามถนนทนทางผู้คนเดินผ่านไปมาบางตาในที่สุดก็มาถึงคฤหาสน์ของเทวมิตรขณะนั้นพระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ยังไม่มืดเลยทีเดียวเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง เพราะแทนที่จะได้พบคนในบ้านมาต้อนรับอย่างเคยกลับพบทหารยืนถือดาบพระสาการอยู่สองข้างประตูหยุดเพื่อคุณเจ้าจะไปไหนอาตมาจะมาเยี่ยมเทวมิตรอุบาสกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาไปอยู่ที่ไหนละ่ไละไม่ทราบและไม่ใีใครทราบท่านทราบาไหมอาตมาไม่ทราบเพราะเพิ่งเดินทางมาจากชนบทมาถึงกรุงราชคฤวันนี้เอง เรื่องราวเป็นยังไงกรุณาเล่าให้อัตมาฟังด้วยท่านไม่ทราบจริงๆหรือว่าเทวมิตาอยู่ที่ไหนอัตมาไม่ทราบจริงๆไม่อยากเชื่อเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านทราบก็กรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยถ้าท่านบอกที่อยู่ของเทวมิตาได้ท่านจะได้รับพระราชทานรางวัลอย่างงามทีเดียวได้รับรางวัลอย่างงามจากใคร แค่พระเจ้าว่าชาสตัตว์เท่าอัตมาไม่ทราบจริงๆถ้าอัตมาทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนอัตมาจะมาถามท่านทําไมก็นี่บ้านของเขาอัตมาคิดว่าเขายังอยู่จึงได้มาเยี่ยมเขาที่นี่<า>ถ้ารู้ว่าเขาไปอยู่ที่อื่นอัตมาก็ไปเยี่ยมที่เขาอยู่ใหม่แล้วนี่มันเรื่องอะไรกัน อาตมางงไปหมดกรดุณาเล่าให้อาตมาฟังบ้างว่าเรื่องราวเป็นยังไงถ้าท่านไม่รู้จริงๆข้าพระเจ้าจะเล่าให้ฟังเล่าเถอะอาตมาคอยฟังอยู่แล้วเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูทรงแย่งราชสมบัติจากพระชนกได้แล้วก็มีข้าราชบริพานเก่าๆของพระเจ้าพิมพ์พิสารบางคนรวมทั้งเทวมิตรด้วยพยายามต่อต้านกษัตริย์องค์ใหม่ และพยายามจะช่วยเหลือพระเจ้าพิมพ์พิสารออกแก้ที่คุมขังหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่สําเร็จผู้ก่อการร้ายถูกจับตัวได้และถูกประหารชีวิตหมดหมายความว่าเทวมิตรตาอุบาสกถูกประหารชีวิตเหรอเทวมิตรตาอุบาสกถูกประหารชีวิตแล้วลยังรบท่านสมณนะ พวกที่ถูกจับได้และถูกประหารชีวิตไปนั้นเป็นเพียงแต่คนชั้นลูกนองเท่านั้นส่วนพวกหัวหน้ายังจับไม่ได้และไม่ทราบว่าไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนพวกราชบุรุษของพระเจ้าแผ่นดินพายายามอย่างเต็มที่ที่จะจับพวกหัวหน้าให้ได้แต่ก็ไม่สาเร็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศจะให้รางวัลเป็นเงินหนึ่งพันกะาปัญะแก่ทุกคน ที่สามาบอกที่ซ่อนตัวของบุคคลหัวหน้ารวมทั้งเทวมิตรด้วยและภรรยาบุตรทิดาและข้าทาสบริวารของเทวมิตรละไปไหนหมดเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแน่นอนว่าเทวมิตรเป็นหัวหน้ากบฏคนหนึ่งพระองค์ก็มีบัญชาให้ริบรับสมบัติของเาัารวมทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินด้วยพวกขาบ a j เจึงถูกส่งมาเฝ้าบ้าน เมื่อเห็นเขากลับมาก็ให้จับตัวทันทีส่วนพัญญาและบุตธิดาของเขาเวลานี้อยู่ในพระราชมเทียนอยู่ในพระราชมทีนในฐานะอะไรฐานะตัวประกันค้าท่าปริวาน่ะพวกนั้นหลบหนีติดตามไปกับเทวมิตรหมดแล้วอาตมาไม่มีอะไรข้องใจอีกแล้วขอลาลนะ กลัเวรุวันด้วยใจที่หดหูสภาพอันเงียบเหงาของพระอารามถ้าไม่เกิดความรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นคนแปลกหน้าอยู่ในทินใหม่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่มาก่อนเลยต้นไผ่เขียวเฉาสงบนิ่งคล้ายไผ่แห้งฝูงกระแตที่เคยวิ่งไล่กันอย่างร่าเริงบนกิ่งไผ่เบาบางตาลงไปมาก กระแต่ไม่กี่ตัววิ่งเหาะๆไปตามกิ่งไผ่อย่างเงื่องน่อยสภาพอย่างนี้ทำให้เกิดความคิดใหม่หนีไปจากกรุงรา ช, ชคฤห์ให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้และไม่กลับมาอีก พเวฬุวัานารามในยามนี้ตกอยู่ในสภาพเงียเหงาหน้าเศร้าใจอย่างยิ่งพระอารามที่เคยคับข้างโดยบริษัททั้งสี่ที่ลหลังไหลจากทิสานุทิศเพื่อรับอมฤตธรรมวารีจากพระพุทธอดได้กลายเป็นดุจอารามรา้างไม่มีใครอยู่อาศัยว่าเป็นเวลานานกุฏิวิหารธรรมศาลาที่เคยสะอาดเอี่ยม บัดนี้มนหมองรกรุงรังเหลือวิสัยภิกษุชนาสองสามองค์ที่เหลืออยู่จะบำรุงรักษาให้ทั่วถึงได้ทางเดินเชื่อมระหว่างกุฏิอันร่มรื่นภายใต้เงาร่มเย็นของกิ่งไผ่ใบหนาก็ขาดแคลนคนดูแลปัดกว่าใบไผ่และกิ่งไผ่แห้งร่วงหล่นลงมาปกคลุมจนมองไม่เห็นพื้นว่เห็นเช่นนี้แล้ว ถ้าไม่หวนคิดถึงหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสังขารทั้งหลายในที่เกิดขึ้นเจริญขึ้นเสื่อมโทรมลงแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้นอกจากตัวความไม่เที่ยงแท้นั่นเองอันพระเวรุวนณารามนั้นก่อนเป็นเพียงป่าไผ่ ที่สิงสถิตของบรรดาประแตเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยกถวายให้เป็นพระอารามแก่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวรุวันก็กลายเป็นสังฆาวาสอันรุ่งเรืองแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารที่วงขดพอน้ำมือของพระเจ้าอาชาติศัตรูราชโอรสและสังฆมณฑลได้แตกแยกสานเซนไปแล้วพอน้ำมือของพระเทวทัต พระเวรุวนดารามก็สุดโสมลงในไม่ช้าคงกลายเป็นป่าภัยที่อยู่อาศัยของกระแตตามเดิมอย่าว่าแต่เวรุวันนารามเลยแม้แต่พระนครราชครึกราชธานีแห่งมคทธรัฐอันเกรียงไกรสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นกองอิฐกองดินและป่าละม่ออันเงียบเหงา เย็นนี้เห็นทีจะต้องเรียกประชุมพระภิกษุชราสองสามรูปนั้นก่อนที่จะไปจากที่นี้ มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเรียกประชมุมวันนี้มีเรื่องสําคัญที่จะบอกให้รู้ท่านผู้มีอายุคงจะเศร้าใจมากใช่ไหมที่เห็นเวรุวานารามมีสภาพเช่นนี้ถูกแล้วท่านผูเน้เจริญข้าพเจ้าเศร้าใจมากไม่น่าจะเป็นเช่นนี้ไปได้เลยอย่าไปคิดอะไรเลยสังคตธรรมทั้งหลายย่อมมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามีเกิดขึ้น เสื่อมลงและก็ดับไปดูพระเวรุวานารามนี้เป็นตัวอย่างสมัยหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองขับข้างปไปด้ดยพุทธบริษัทเอิบอาบซาบซาบปไปด้ดยพุทธธรรมชุ่มเย็นด้วยสันติสุขอบอุ่นอยู่ภายใต้พุทธานุภาพเป็นเสมือนสระโบก ข, ขอรณีเต็มไปด้วยธรรมวารีที่สัตว์ผู้กระหายหิวจากทิศ ท, ทั้งสี่ ได้บาอาดกินเป็นสุขแต่บัตรนี้เป็นยังไงท่านทั้งหลายก็เห็นประจักษ์แล้วอย่าว่าแต่เวลุวรรณรามเลยแม้แต่อัตภาพร่างกายของเราก็นับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงสักวันหนึ่งก็คงเหลือแต่เท่าทานถมแผ่นดินเป็นความจริงทีดียวท่านผู้จเจริญเมื่อเห็นสภาพของเวลุวรรณรามแล้วท่านอาจจะโศกเศร้าเสียใจ เหตุที่เสียใจเพราะท่านไม่อยากจะเห็นพระเวโรณารามอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเช่นนี้ถูกของท่านผู้จเจริญท่านอยากให้พระเวโรนารามจเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อไม่เป็นไปนตามความอยากท่านจึงเศร้าโศกเสียใจอันความเศร้าโศกเสียใจนี้พระบรมศาสดาของเราตรัสว่าเป็นความทุกข์เป็นทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความอยาก ความปรารถนาของท่านเองไม่ใช่เกิดเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นเป็นปกติธรรมดาเราเกิดขึ้นมาในโลกหรือไม่เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเข้ามันอยู่อย่างนั้นเปรียบเสมือนกระแสน้ํำในแม่น้ําพระคงคาซึ่งไหลไปสู่สมุทรสาครทางเบื้องปูรพทิตอยู่ชั่วนาตาปีไม่มีอํานาจใดๆจะมาบังคับ ให้มันไหลย้อนกลับเขินไปทางปัจฉิ ม, มทิศได้ไม่มีอำนาจใดๆจะมาบังคับให้สังกัตรธรรมทั้งหลายคงที่อยู่ได้แต่ถึงกระนั้นจิตใจของเราก็อยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ตามที่เราปรารถนาเราก็เกิดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเชื่อว่าเราสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองเป็นความจริงทีเดียวด้านผู้จเจริญในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่ง<ด>ที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้เมื่อเราแก้ไขมันไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองเราต้องปรับใจของเราให้เข้ากับมันจึงไม่เกิดความขัดแย้งในใจและความทุกข์อย่าทวนกระแสะธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถจะทวนได้จงยอมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและท่านจะอยู่ในโลกได้ไ ด, ด้วยความสุขอีกประการหนึ่งเมื่อท่านทราบพลังอนิจจังแจ่มแจ้งแก่ใจแล้วก็อย่าได้ประบาดรีบสร้างคุณธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นก็จะถึงวาระสุดท้ายความชั่วทางกายวาจาใจ สิ่งใดที่ยังเว้นไม่ได้ก็รีบเบนให้ขาดความดีทางกายวาจาใจอันใดที่ยังไม่ได้กระทําก็รีบเร่งกระทําซะกิเลสหยาบเหล่าใดที่ยังเกิดขึ้นในดวงใจทําให้จิตคุณมัวจงกําจัดซะด้วยสมาธิกิเลสละเอียดเหล่าใดยังนอนอยู่ในสันดานก็จงกําจัดซะด้วยปัญญา ถ้าท่านทั้งหลายทำได้ตามหลักนี้แม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลในพุทธศาสนาก็จะอยู่อย่างสงบสุขในปัจจุบันในชาตินี้และจะเป็นอุปนิสัยบา ร, รมีสำหรับพบอื่นๆต่อไปเท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีแล้วจึงขอลาทุกท่านอถท่าไนไปเจริญท่านจะไปไหน จะเดินจะไปไหนฮตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะออกเดินทางโอ้ท่านผู้เจริญขอนิมนต์ท่านอยู่โปรดพวกข้าพเจ้าก่อนเถอะิดจะได้ทิ้งพวกข้าพเจ้าไปเลยพวกข้าพเจ้าเป็นผีษุแก่เพิ่งเข้ามาบรรพชาอุปสมบทนายพระพุทธศาสนาไม่นานยังไม่เข้าใจแจ่มแจ่มในทางปฏิบัติเวลานี้พวกข้าพเจ้า ไม่มีที่พึ่งที่ได้อีกแล้วพระบรมศาสดาพร้องรองวยพิสุทธิ์สงฆ์ก็จากไปสู่นครสาวัตถีแล้วพวกข้าพเจ้าเป็นพิสุกแก่ไม่มีกําลังวางชาเพราะอย่ตามเสด็จไปได้จึงตกค้างอยู่ที่นี้ได้หวังจะได้ทันเป็นที่พึ่งแล้วนี่ท่านก็จะจากไปอีกพวกข้าพเจ้าจะได้กลายเป็นที่พึ่งล่ะท่านผู้มีอายุโดยใจจริงแล้ว เมตตาธรรมและคุณธรรมเตือนในข้าพเจ้าอยู่กับท่านอยู่กับเวลุวนารามที่ข้าพเจ้าเคยอยู่มานับสิบปีแต่ว่าแต่ว่าอะไรท่านผูเ้เจริญภารกิจข้างหน้าของข้าพเจ้ายังมีอยู่ทั้งประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของตัวเองข้าพเจ้ายังเป็นปฎิทุชนยังมีกิเลสหมักห ม, มมอยู่ในสันดานจึงต้องกาจัดเช่นเดียวกับท่าน ข้าพเจ้าอยู่วิหารพระเวรลุวนารามเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นมานานแล้วจนย่างเข้าปีที่สิบหกรู้สึกว่าสังขารร่างกายก็แก่ลงสุดโทมลงทุกวันโดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองเลยเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายโปรดเห็นใจข้าพเจ้าบ้างขอให้ข้าพเจ้าได้เที่ยวจาาิกไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ต, มตามสบายเถิ เมื่อได้มรรคผลพอสมควรแล้วเขาพระเจ้าจะกลับเข้ามาอยู่ที่พระเวฬุวันารามต่อไปจนกว่าจะถึงววราสุดท้ายแห่งชีวิตแต่ว่าพวกข้าพเจ้าจะวิตตกไปทำไมท่านทั้งหลายล้วนแต่ได้รับบัรฑชาอุปสมบทเฉพาะพระพักพระบรมศาสดาและได้รับพระพุทธโอวาทเบื้องต้นเป็นแนวทางปฏิบัติทุกองแล้วฉะนั้นยังจะคิดพึ่งผู้อื่นอีกละ่ะ พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วนั่นแหละคือที่พึ่งของพวกเราขอท่านจงปฏิบัติพระธรรมแล้วพระธรรมจะคุ้มครองท่านพระธรรมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านท่านผู้เจริญแม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพวกข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจแจมแจ้งดีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เพียงไม่กี่ครั้ง ก็เกิดเอตร้ายเกิดเสก่อนแล้วพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิสุุสง์ก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีถ้าท่านผู้เจริญมีความจำเป็นจะต้องจากไปข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะทัดทางท่านไว้ได้แต่ก่อนจะไปก็ข อ, อนิมนท่านสักอย่างอะไรเหรอท่านผู้มีอายุประทาดโอวาทและแนวทางแห่งการปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกแก่พวกข้าพเจ้าด้วยท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเองก็ยังเป็นภิกษุปุถุชนเช่นเดียวกับท่าน ยังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานแม้จะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติก็เป็นการรู้อาศัยปริยัติและสัญญาหาแท้ความรู้อันเกิดจากญาณพิเศษอันเป็นผลแห่งวิชาและวิมุตไม่ฉนั้นคำแนะนำของข้าพเจ้าก็คงเป็นแบบคนตาบอดจูงคนตาบอดแต่ท่านผสมบทมานานแล้วข้อนั้นไม่เถียง เพระอุปสมบทมานานได้ได้ฟังพระโอวาทจากพระโอษของพระบรมศาสดาก็พอที่จะมีความรู้ข้าพเจ้าจะขอถวายคําแนะนําในทางปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมายอ่อๆแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะไข่ขอซับซ้อมความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก่อนท่านทั้งหลายทราบชัดแล้วใช่ไหมว่าจุดหมายปลายทางของพระธรรมวินัยคืออะไรคือ okay. อะไรล่ะออออข้าพระเจ้าพอจะรู้ออถ้าอย่างนั้นท่านก็ตอบมาข้าพระเจ้าเข้าใจว่าจุดหมายของพรหมจันร์ก็คือพระนิพพานถูกแล้วท่านผู้มีอายุแล้วท่านทราบหรือไม่ว่านิพพานคืออะไรข้าพระเจ้าได้ฟังมาว่านิพพานคือสภาพที่ดับทุกพร้อมด้วยเหตุแห่งทุกทั้งปวงถูกทีเดียวท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง สงสัยมานานแล้วว่าพระนิพพานมีอยู่จริงเหรอถ้ามีอยู่จริงอยู่ที่ไหนข อ, อนิมนทันผู้เจริญให้ความกระจ่างแกข้าพเจ้าด้วยความสงสัยของท่านนับว่ามีเหตุควรสงสัยความสงสัยบางทีก็เป็นธรรมะ แต่ก็เป็นเหตุให้เกิดความลังเลในการปฏิบัติเมื่อท่านเกิดความสงสัยข้าพเจ้าก็จะพยายามแก้ความสงสัยของท่านเสก่อนเอาละ่ะข้าพเจ้าขอถามท่านว่านครเวสาลีมีอยู่จริงหรือไม่มีสิท่านผู้เจริญท่านรู้ได้อย่างไรว่านครเวสาลีมีอยู่จริงท่านเคยไปเห็นมาด้วยตาของท่านเลยข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นเลยท่านผู้เจริญ แล้วทำไมท่านรู้ว่ามีละ่ะมีหลายคนเข้าไปเห็นมาด้วยตาแล้วนํามาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังสมมุติว่าท่านอยากจะไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่า น, นครเวสาลีมีจริงหรือไม่จะมีทางใดที่ท่านจะกระทําได้บ้างไหมท่านผู้มีอายุมีสิท่านผู้เชือเ่อข้าพเจ้าอาจจะไปพิสูจน์ได้ทุกเมือ่อเพราะนะครเวสาลียังคงอยู่ที่เดิม ขนทางไปสู่นครเวสาลีก็มีอยู่ข้าพเจ้าอาจจะเดินทางไปได้ทุกเมื่อพระนิพพานก็เช่นเดียวกับนครเวสาลีนั่นแหละท่านผู้มีอายุเหมือนกันถูกแล้วถึงแม้ท่านจะยังไม่เคยไปนิพพานแต่ก็มีคนเป็นอันมากที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วด้วยตัวเองนํามาเล่าให้ฟังบุคคลที่บรรลุถึงพระนิพพานเป็นคนแรก แนะนํามาเล่าให้เราฟังเป็นใครท่านรู้ไหมใครเหรอท่านผู้เจริญพระบรมศาสดาของเรานั่นไงถ้าท่านอยากจะพิสูจน์ว่าที่จะไปถึงพระนิพพานจะมีจริงหรือไม่ท่านก็จะกระทาได้โดยไม่ยากทายังไงเหรอท่านผู้เจริญทําได้โดยก้าวเดินตามหนทางอันประเสริฐ ที่เรียกว่าอาริยมรรคพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้แล้วอย่างเปิดเผยแจ่มแจ้งไม่ปิดบังอำพรางอุปมาอุปไมยที่ข้าพเจ้ายกมาแสดงนี้พอจะทําให้ท่านเห็นหรื อ, อยังว่าพระนิพานมีอยู่จริงเห็นได้แล้วท่านผู้เจริญตามความเป็นจริงนั้นพระนิพานแปลว่าความดับทุกข์ความทุกข์เป็นความจริงแห่งชีวิต ที่ท่านทั้งหลายเผชิญอยู่ทุกเวลาปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านิพพานมีหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะดับทุกได้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราก็คือการดับความทุกที่กำลังเผาลนเราอยู่เปรียบเสมือนบุรุษที่ถูกลูกสอนฆ่าศึกนอนเจ็บปวดครวญคลางอยู่หน้าที่ที่เขาควรจะรีบทาทันทีก็คือการถอนลูกศอนออก แล้วก็รักษาเยียวยาบาดแผลให้หายไม่ควรจะไปเสียเวลาสืบสวนดูว่าลูกศร น, นั้นยาวเท่าไรหนักเท่าไรใครยิงมายิงมาจากไหนฉะนั้นหน้าที่โดยตรงของเราก็คือดับเพลิงทุกเราจะดับเพลิงทุกได้โดยวิธีใดนี่คือปัญหาสำคัญโปรดแนะแนวทางด้วยเถอะท่านผู้เจริญเอาเถอะ ข้าพเจ้าจะแสดงแนวทางดับทุกแก่ท่านทั้งหลายตามที่ได้สดับมาจากสำนักพระบรมศาสดาและตามแนวทางที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำเชิญท่านผู้เจริญโปรดสดับดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่า คำว่าอรหันอันเป็นนามของพระผู้ดับทุกได้เด็ดขาดแล้วนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งว่าผู้ไกลจากค่าศึกหรือจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือผู้ปราบปรามค่าศึกลงได้อย่างรับคาบประสบชัยชนะแล้วอย่างเด็ดขาดนั่นเองท่านทั้งหลายทราบไหมว่าค่าศึกในที่นี้คืออะไรข่าศึกในทีนี้หมายถึงกิเล่ทั้งปวง ท่นผู้เจริญถูกแล้วท่านผู้มีอายุข้าศึกของเราคือกิเลสทั้งหลายนั่นเองกิเลสทั้งหลายเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราต้องการดับทุกข์เราต้องปราบกิเลสซะก่อนเปรียบเสมือนเราต้องการจะดับเปลวไฟเราต้องกําจัดเชื้อไฟซะก่อนถ้าเรากําจัดเชื้อไฟได้แล้วเปลวไฟก็จะดับไปเองถ้าเรากําจัดกิเลสได้ ความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปเองแต่การดับไฟกิเลตทำได้ไม่ง่ายเหมือนดับไฟธรรมดาหรอกนะท่านผู้มีอายุการดับไฟธรรมดาเราใช้น้ำอย่างเดียวก็ได้ใช้เวลาไม่นานนักแต่การดับกิเลศต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างและใช้เวลาหลายเดือนหลายปีบางทีใช้เวลาทั้งชาติหรือหลายชาติ เพราะไฟกิเลตดับได้ยากยิง่งพูดต่อไปเถอะท่านผู้เจริญมันฆ่าศึกกิเลตนั้นย่อมคอยทำอันตรายเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้รับความทุกข์ไม่รู้จักจบสิน้นฆ่าศึกคือกิเลตคลาค้ายฆ่าศึกภายนอก ที่ยกมารุกรานประเทศบ้านเมืองประกอบไปด้วยไพร่พลมากมายมีการจัดกองทัพเป็นหมวดหมู่มีนายทหารและพลทหารบังคับบัญชากันตามลำดับชั้นกรุณ า, าเปรียบเทียบให้เข้าใจมากกว่านี้อีกสักปล่อยเถิดท่านผู้เจริญได้สิท่านผู้มีอายุข้าพระเจ้าตั้งใจจะเปรียบเทียบให้ฟังอยู่แล้วเพื่อความเข้าใจอันแจ่มแจ้ง เริ่มต้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจอมทัพของกิเลธทั้งปวงลงมาถึงพลทหารใครละ่ะคือจอมทัพกิเลธจอมทัพกิเลธคือองค์อวิชาธิราชผู้มีพระวรกายใหญ่มหึมามีผิวกายดำมะม่องอยู่ยงคงกระพันแข็งแขลข่าจากบรรดาสตราวุธทุกชนิดสถิตอยู่ในจุดศูนย์กลางแห่งพระบรมมหาราชวังอันมโหฬาร เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพกิเลส ท, ทั้งหมดแล้วรองจากอาวิชชาธิราชมีไหมมีอันดับสองรองจากองค์อวิชชาธิราชเป็นผู้นํำอาพระบัญชาของพระองค์ออกไปสั่งการแก่ไพร่พลกิเลสผู้ที่เป็นรองคือใครอัคารามหาเสนาปดีมีอยู่ได้กันสามคนทําหน้าที่ต่างๆกันเปิแล้ว อัครมหาเสนาบดมีมีใครบ้างเมือ่อคราเสนาบดีกามตัญหาทำหน้าที่เลือกสรรวางแผนรักษาบัญชีทรัพย์สมบัติที่จะนําเข้าสู่ทองพระครลังหลวงทรัพย์สมบัติในบัญชีของท่านอัครามหาเสนาบดีมีทุกชนิดเช่นรูปสวยๆงามๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมชวนดมรสอร่อยโอชาสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มสลวย สิ่งเหล่านี้แหละท่านอ克拉มหาเสนาบดีไม่ได้ออกหาเองหรอกนะเพียงแต่เลือกสรรควบคุมสั่งการเท่านั้นทีนี้ก็มาถึงอ克拉มหาเสนาบดีคนที่สองเสนาบดีคนที่สองชื่ออะไรภาวะตันหาแล้วทั้งนาทีอะไรเกี่ยวกับการควบคุมรักษาสมบัติทั้งหมดในท้องพระคลังคราวนี้คงเป็นอ克拉มหาเสนาบดีคนที่สามสิ ถูกแล้วท่านผู้มีอายุอรามหาเสนาบดีคนที่สามเรียกว่าพิวะตันหาทำหน้าที่กำจัดทรัพสมบัติที่ไม่ต้องการให้หมดสิ้นไปจากท้องพระครับต่อไปเถิท่านผู้เจริญ ท่านอัครมหาเสนาบดีทั้งสามมีเสนาบดีรับใช้อยู่สี่คนคือกามุปาทานทิสธะปาทานลีลพัตุปาทานและอัตตวาทุปาทานแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างท่านผู้เจริญกามุปาทานทำหน้าที่ในการรักษากุญแจทองพระคลังมหาสมบัติแล้วคนต่อไปคือ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 อัตวาทุ ป, ปาทานเป็นสนาปดีฝ่ายรักษาความมั่นคงของพระราชอาณาเขตท่านผู้มีอายุเท่้งหลาย